ขอนอบน้อมต่อคุณพัตรนาตรายัยขอกาสพระอาจารย์ทรงศิลปเพื่อนสะทธมิกทุกท่านเจริญธรรมไม่ชีและญาติธรรมทุกท่าน <c oughs> เราจะเห็นว่าแมงเม่าก็เยอะเนาะ <c oughs> ก็ปิดไฟมันก็หนีหลบไปอยู่กับไฟที่สว่างกว่าเนาะ <c oughs> บางทีถ้าเรา <c oughs> กุดเราถ้าเกิดนะลืมปิดไฟไว้น ะ, อะตอนเช้านี่ถ้ามาดูแล้วมันก็จะมีแมงเม่าอยู่ตายอยู่เกลื่อนเลยในห้องเราเนาะหรือบางห้องน้ำถ้าเราลืมปิดไฟนะไปดูในห้องน้ำนี่ก็แมงเม้าตายกันเกลื่อนนะเป็นพันๆตัวดูแล้วก็น่าสงสารนะเต็มไปหมด อันนี้ถ้าใครเกิดจุดไฟเอาไว้นะจุดไฟหรือจุดเทียนไว้เนี่ะมงเมาก็บินเข้าไปตายเยอะแยะนะมงเมาเนี่ยชอบบินเข้ากองไฟนะเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไระเห็นไฟเห็นแสงสว่างก็วิ่งเขาไปบินเขาไปหาอยู่เรื่อยๆเก็ตายกันมากมายอันนี้จริงๆแล้วมงเมาก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่เขา ไม่รู้เรื่องนะเป็นไปตามสายชาติยานเท่านั้นเองว่าอตรงไหนที่มีความสว่างนะเขาก็บินเข้าไปหาทั้งนั้นนะแต่แต่คนเราคนเรานี่มีสติปัญญาแต่มกักจะไม่เคยรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะบางทีก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งนั้นนะเป็นสิ่งที่ผิดก็มนะีแล้วก็เข้าไปหาในสิ่งนั้นนะเราจะเห็นว่าคนทุกวันเนี่ย ทําอะไรตามใจตัวเองเนี่ยกันมากมายนะทั้งทังที่รู้ว่ามันก็ไม่ดีไม่ถูกต้องนะโดยพระเมืองไทยนี่ก็เป็นเมืองพุทธเมืองพุทธนี่ก็พระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าให้อ่าไม่ทําบาปทั้งปวงนะก็คืออ่าทั้งหลายอ่าสัพพปาปัสสะกรรณาไม่ทําบาปทั้งปวงนะกุศลสูระสมทาให้มันธูปสนให้ถึงพร้อม สัจจิตตะประิโยเทปนังให้มันชำระจิตของตนให้ขาวรอบนะหรือทำให้จิตใจของเราเนี่ยถึงซึ่งความบริรสุทธ์ผ่องใสนะเอตังพุทธานาศาสนังนี่คือคำตัดสั่งสอนของพุทธจงคทั้งหลายนะแล้วก็ให้มีศีลห้าเเป็นเครื่องยึดถือนะแต่ว่าคนไทยเราซึ่งเป็นชาวพุทธเองนะก็กลับละเลยในสิ่งเหล่านี้นะทำอะไรตามใจชอบมากมายมีแต่ข่าวอจิยกรรม ต่างๆมากมายนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเออทำไมคนเราแม้แต่กฎหมายเขาก็มีอยู่แล้วว่าไม่ควรจะทำนะ <c oughs> ก็ไปทำในสิ่งเหล่านั้นนะ <c oughs> โดยเพราชาวพุทธนี่ก็รู้รอยู่แล้วว่ากฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่มีจริงนะการบาบุญคุณโทษมีจริงนะการเวียนไหา้ตายเกิดมีจริงนะ ผู้ใดทํากรรมอันใดไว้ก็ต้องได้รับกรรมเช่นนั้นนะสมดังที่พระเจ้าได้ทรงตรัสว่าผู้ใดหว่านพืชเช่นใดก็ต้องได้รับผลเช่นนั้นผู้ใดทํากรรมดีย่อมได้รับกรรมดีตอบแทนผู้ใดทํากรรมชั่วก็ย่อมได้รับกรรมชั่วตอบแทนนะสิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนะเพราะพุทธศ า, าสนานี่ก็ในเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นหลัก นะแล้วก็ไม่ได้ว่าเราตายในชาตินี้แล้วก็จบไปอันนี้ไม่ไม่ใช่น่นอนนะมีหลักมีการพิสูจน์มากมายนะที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ก็มีมากมายนะเช่นตรงทรงตัดว่าผู้ใดที่เป็นมิจฉาิฏฐิเมื่อถึงแก่ความตายเพราะกายแตกดับนะกายแตกดับเลยนะยอมเข้าถึงทุกติวินิบาดนรกนะนะจริงๆแล้วก็มีอยู่มากมายนะซึ่งชาวพุทธก็ต้องอมีความเข้าใจในตรงนี้อยู่แล้วนะ แต่ก็ส่วนมากก็ไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมกันนะหรือแก้งทำให้ไม่เชื่อแก้งทำให้ไม่สนใจนะเพื่อที่จะได้จะได้ทำในสิ่งตัวเองนะต้องการทำอย่างเต็มที่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าน่าสงสารนะอันนี้นังสายยิ่งกว่าแม่งเมาบินเข้ากองไฟนะเพราะว่าแม่งเมาบินเข้ากองไฟก็เป็นความทุกข์ของเขาในปัจจุบันนี้เท่านั้นเอง พอหลังจากเขา บ, บินเขากองไปแล้วก็เป็นนั้นว่าเออจบกันนะบาปเขาก็มีเพียงแค่นั้นที่เขาไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนนะไม่ได้ไปสร้างกรรมอะไรต่อแต่มนุษย์ที่ทำโดยความที่ตั้งใจนะมีเจตนาทำในกรรมทั้งหลายแหล่นะไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด ก็เป็นกรรมที่จะกลับมาสนองกับตัวเองนะทั้งดีและทั้งไม่ดีนะทั้งบุญและบาสนั้นก็เป็นสิ่ง ก, กลับมาสนองอย่างแน่นอนนะอย่างที่พระเจ้าได้ทรงตัดเวลาพุดวนันพือเช่นใดนะก็ได้รับผลเช่นนั้นนะเป็นวิบากเป็นกรรมนะที่จะกลับมาสนองตัวเราทั้งดีและทั้งชั่วนะเพราะนักคนเราตายไปก็ไม่มีสิ่งใดติดตัวก็คือบุญและบาคนั้นเองนะอันนี้ นะเพราะฉะนั้นคนที่รู้อยู่แล้วว่าอะไรดีไม่ดีถ้าไปทำกรรมไปนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่งโง่ยิ่งกว่าแมงเมาสิงเนาะแต่คนที่มีสติปัญญาก็ย่อมจะรู้ว่าสิ่งใดที่ควรจะทำอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ฉลาดนะคนที่ฉลาดคือรู้ว่าสิ่งใดนะที่ควรจะทำในปัจจุบันนี้นะในการนี้เราได้มันเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละสิ่งที่เราควรทำเนะี่ยคืออะไรบ้างนะ คร น, นี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็มีอยู่หลายอย่างนะแต่ประการสำคัญก็คือเราไม่ทำบาปนะทำแต่กุลโสนแล้วก็ทำจิตเราให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ผ่องใสอันนี้ก็คือหลักการที่พระเจ้าได้ทรงให้ไว้แล้วในโอวาทานิโมกผู้ใดก็ททำตามนี้ก็ย่อมจะถึงซึ่งความสวัสดีนะ่ึงนึ่งความพ้นทุกข์ถึงซึ่งความหมดจากกิเลสแล้วก็เข้าสู่อมตะ ก็คือถึงพนิพานได้เนาะอันนี้ก็คือเป้าหมายในการที่เราได้เกิดมาในชาติหนึ่งที่เรามีโอกาสได้เกิดมนุษย์ในครั้งนี้นะครัน้นี้สิ่งที่เราทำกนะ็คือประการแรกเนี่ยนอกจากเรามีการที่เรียกว่าระวังสำรวมสังบรในศีลแล้วนะประการสาคัญกนะ็คือเมื่อเราทำความดีทั้งปวงแล้วนะ เราต้องทำใจของเราเนี่ยให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ผองใสไปด้วยนะอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญเลยเพราะว่าถ้าเราเพียงแต่รักษาศีลนะหรือทําความดีอันนี้ในทุกๆศาสนาเขาก็มีอยู่แล้วนะอ่าเขาก็มีให้ทําเหล่านี้อยู่แล้วนะแต่ส่วนการทําให้ใจถึงซึ่งความบริสุทธิ์ผองใสนั้นจริงๆแล้วก็มีอยู่ในพุทธศาสนาเท่านั้นเองนะถ้าเป็นการเรียกว่าเราชําระจิตของเรานะจากการที่เรามีกิเลสมากมายนะให้เรา เป็นผู้ที่กิเลส ต, ต่างๆในลดน้อยลงนะยิ่งลดน้อยลงไปเท่าไหร่เราก็ยิ่งถึงซึ่งความบริสุทธิ์ผ่องใสมากขึ้นเท่านั้นนะคราวนี้การที่เราจะชำระจิตนั้นนะประการแรกเราต้องมีสติให้ได้ก่อนนะสตินี่ก็เป็นหนทางที่แท้จริงที่จะนำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์ของจิตของเรานะเพราะกิเลสของเรานี่มันมีอยู่มากมายนะ คร น, นี้ว่าทําไมต้องมีการชําระจิตเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่ว่าเวลาว่าภพชาติมันยาวเพราะว่ากิเลสมันเยอะนะยิ่งกิเลสเรามีมากเท่าไหร่ภพชาติเราจะยิ่งยาวเท่านั้นแต่เมื่อกิเลสของเราลดน้อยลงไปเท่าใหร่นะภพชาติเราก็ยิ่งสั้นลงไปเท่านั้นมืนก็พูดที่เป็นพระโซดาบันนะท่านก็กิเลสท่านก็ลดลงไปเยอะนะเพราะฉนั้นการเวียนไว่ายตายเกิดท่านก็จะไม่เกินเจ็ดชาตินะหรือจะเหลือแค่ชาติเดียวนะสำหรับผู้ที่บรรลุเป็นเอกพิชี นะเพราะฉะนั้นการทํากินเลสเราให้ลดลงจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะนั่นแหละหมายความว่าจิตเราจะบริสุทธิ์ได้มากขึ้นคร้นนี้ก็คือประการแรกก็เราก็ต้องมีสติให้ได้กอด่อนนะให้รู้เท่าทันนะอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเรานขะั้ น, นี้การที่จะรู้เท่าทันอารมณ์นี้นะ่ะในวิธีการลงมือเทียนก็คือให้เรากลับมารู้สึกตัว การรู้สึกตัวก็เป็นการทำให้จิตใจเนี่ยไม่สามารถที่จะเลื่อนลอยไปได้ไกลขึ้นนะจากการที่เราอาจจะเมื่อก่อนเราเป็นคนใจลอยเก่งนะคิดนูน่นคิดนี่อยู่ทั้งวันนะไม่รู้ทันความคิดอันนั้นก็เรียกว่าเราหลงไปนะการที่เราหลงไปนั่นแหละก็คือเหตุแห่งการที่เราทำให้กิเลสเนี่ยเข้าในใจเราเนี่ยบ่อยขึ้นนะเพราะว่า นะสมุทยัยคือสาเหตุแห่งความทุกข์นั่นก็คือกา玛ตัญหานะคือตัญหาในกามนั่นเองที่เป็นเหตุให้เกิดทุกขนะ์ตัญหาในกามนะก็มีการเพลิดเพลินไปในรูปรสกลิ่นเสียงปวดทพะธรรมลมก็คือการจิตใจเราไหลไปในอายนณะทั้งหกนะไหลไปในทางตานะที่กระทบรูป ก, ก็มีความยินดียินร้ายนะหูได้ยินเสียงก็เกิดความยินดียินร้าย นะหรือลิ้นกระทบรถนะก็เกิดความยินดีร้ายนะเจมูกได้กลิ่นก็เกิดความยินดีร้ายนะกายสัมผัสเย็ยนร้อนอ่อนแข็งก็เกิดความยินดีร้ายหรือใจนึกคิดไปในเรื่องต่างๆก็เกิดความยินดีวินลายนะหรือว่าอาจจะเป็นเฉยๆนะเป็นอุเบกขาก็ได้นะก็คือสามลมนี้เกิดขึ้นนะในอายนาทั้งหกนะเมื่อเกิดขึ้นเช่นนั้นแล้วเนี่อล ร, รู้ทันไหมนะ ถ้าเรารู้ไม่ทันก็จะไปปรุงแต่งต่อนะเป็นความรักความชังเป็นตันหาประธานนะเป็นพบเป็นชาติตามมานะก็เกิดจากการที่เราสามารถที่จะรู้เท่าทันนะเวทนาเหล่านั้นได้เร็วไหมคือความยินดีนลายในยได้เร็วไหมนะการที่เราจะรู้เท่าทันนี้นะก็เกิดจากการที่เรามีสตินั่นเองนะ สตินี้จะทาให้เราสามารถที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ของเราได้ในแต่ละขณะว่าขณะนี้เนี่ยเรามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในใจของเราแล้วนะเรากำลังเหตยเวทนาอะไรอยู่เนี่ยจะรู้ได้เท่าทั น, ทนได้เร็วขึ้นนะคราวนี้วิธีการหลงพระเทียนก็คือให้เรากลับมารู้สึกตัวนั่นเองนะรู้สึกตัวคือการที่เรานะใจเรา ไ, ไม่ไหลไปไกลนะใจมีเครื่องยึดเครื่องเหนียว สิ่งที่เป็นเครื่องยึดถึงเครื่องเหนียวของใจในขณะนี้ก็คือความรู้สึกตัวนะโดยอาศัยาการเคลื่อนไหวของกายเป็นหลักนะาการที่เราเคลื่อนไหวของกายเป็นหลักนะในเช่นเราสร้างสึกสจังหวะบ้างหรือเดินจะกรมบ้างก็เพื่อให้เราอยู่กับปัจจุบันธรรมนั้นเองนะคือเมื่ อ, อากายมีการเคลื่อนไหวนะใจเข้าไปรับรู้ในการเคลื่อนไหวเหล่านั้นนะก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา นะการที่เรารู้สึกตัวนั่นแหละก็คือปัจจุบันธรรมแล้วนะโดยการที่เรารู้นะในสิ่งเหล่านั้นนะปัจจุบันธรรมเราก็จะเห็นจิตที่มันไหลเข้าไปในอดีตและอนาคตได้ด้วยนะเพราะว่าจากการที่เรารู้ของหยาบเนี่ยจิตก็จะไปรู้ของละเอียดได้เร็วขึ้นนะในการที่ใจที่มันเคลื่อนไหวใจที่กระเพื่อมใจที่แสสายใจที่กระดุกกระดิกไปใน เป็นภาวะที่เรียกว่าเป็นเจตสิกของจิตก็คืออาการของจิตนั่นเองนะมันจะเข้าไปรู้ได้เร็วขึ้นเพราะวาเราสามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันธรรมนั่นเองนะก็คือให้จิตมีเครื่องอยู่ไม่ให้เข้าไปไกลแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่ในตรงนี้แล้วเนี่ยใจก็จะลอยไปนะลอยคิดไปในเรื่องต่างๆบางทีเราก็ไม่รู้นะ่คิดไปเป็นหลายๆเรื่องก็ไม่รู้นั่นแหละใจเข้าลอยไปเขาไม่มีไม่มีเครื่องอยู่ของใจนะ เหมือนก็เด็กนะเด็กถ้าไม่มีบ้านอยู่นะเด็กก็จะเที่ยวไปเรื่อยๆไม่ไม่กลับบ้านง่ายๆนะแต่ทีนี้เมื่อเด็กมีบ้านอยู่เนะี่ยเขากา็ไม่ไปไหนนะแล้วโดยเพราะถ้ามีที่บ้านมีสิ่งที่เขาชอบนะเช่นอาจจะมีคอมพิวเตอร์ให้เขาเล่นนะมีโทรทัศน์เขาดูเขาก็อยู่ได้นานนะเพราะว่าเขามีเครื่องอยู่แล้วนะเขาก็ไม่ไปเที่ยวที่อื่นไกลใจเราก็เหมือนกันใจเราก็ต้องการสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่นะ ให้เขาเมีที่อยู่อาศัยนะหรือว่าหรือเรียกว่าเป็นวิหารธรรมเขาก็อยู่เขาได้นานเขาก็ไม่ค่อยไปไหนเหมือนกันนะเนี่ยก็คือเครื่องอยู่ของใจนะก็คื อ, อความรู้สึกตัวนี่แหละสร้างเขาแต่ใหม่ในี่จิตของเราเนี่ยมันเขาเรียกว่าจิตของเราเนี่ยชอบเพลิดเพลินอยู่แล้วนะเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็ได้ทำสิ่ ง, งต่างๆที่เราอพอใจแล้วก็สนองอกิเลสตัณหาได้เร็วนะอยากจะรับประทานอะไรก็ ทานได้ทันทีนะอยากจะดูหนังฟังเพลงก็สามารถทำได้ทันทีเราจะมีความสะดวกสบายทุกๆอย่างไม่มีใครมาบังคับเราเพราะนั้นจิตก็เลยอนอนเนื่องนะนอนเนื่องอยู่ในความเพิดเพลินเหล่านั้นไม่ได้รับการฝึกนะพอไม่ได้รับการฝึกนี่เขาก็สบายนะแต่เมื่อมาอยู่วัดเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะไหนจะอาหารนะไหนจะ อสถานที่ที่อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเช่นบ้านของเราอันนี้ก็เป็นความที่มันไม่เป็นความเคยชินประจำของเราอยู่แล้วเราจะรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ค่อยอาจจะมีความสุขเท่าไหร่นะ น, นี่เป็นเรื่องธรรมดาคนทุกคนแต่ก็มาได้รับการฝึกฝนเป็นการฝืนกินเลสซะอีกนะจิตมันก็เลยร้องนะด้วยกิเลสของเข้าในใจบอกว่าโอ้ลาบากเหลือเกิน ทุกข์เหลือเกินปฏิบัติธรรมนี่เนาะมีแต่ความลําบากมีแต่ความทุกข์ไม่เห็นจะได้อะไรเลยนะบางคนก็เลยกลนะับบ้านดีกว่าเนาะเพราะว่ากิเลสเขาเรียกร้องเช่นนั้นนะแต่ถ้าเรานะเข้าใจในตรงนี้แล้วว่าเออเรามาเพื่ออะไรนะก็มาฝึกฝนตนเองนะการฝึกฝนตนเองนี่ไม่ใช่ว่ามาหาความสุขนะแต่เป็นการฝึกตัวเองนะให้อยู่กับนะ สิ่งต่างในขณะนี้ได้ไหมนะเช่นขณะนี้เกิดถ้าเราต้องโทษไปเป็นนักโทษนะเราก็ต้องยอมรับในสภาวะนั้นเพราะฉะนั้นการที่มาฝึกตัวเองก็คือการฝึกให้เราเนี่ยมีความอดทนในการที่จะอยู่กับสิ่งต่างได้ไหมนะถ้าเราไม่ฝึกในตรงนี้ใจก็จะไหลไปตามกิเลสแล้วเราก็ไม่เห็นกิเลสเราเองนะแต่เมื่อเราฝึกแล้วเราจะเห็นว่า กิเลสของเรานี่มันก็เยอะจังนะมันก็มีอารมณ์ต่างๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะในการที่มีความอยากต่างๆอยากจะกินอาหารที่เราต้องการนะบางคนนี่ก็วางแผนไว้แล้วเนาะกลับไปนี้จะไปกินส้มตำนะกินน้ำพริกปลาทูนะบางคนก็ไปกินข้าวขามหมูนะตามที่เราอยากกินนะรับประกันได้เลยต้องวางแผนไว้แล้วนะนะเห็นหมาว่าตัณหามาเรียกร้องเรานะถ้าเราอยู่บ้านป่านี้เราก็ไปกินมาแล้วล่ะนะ แต่เรายังไม่ได้ไปกินเพราะว่าเรามาอยู่วัดนะมันไม่มีสิ่งเหล่านั้นสนองกินเลยเราเนี่ยให้เราเห็นไหมว่าเออตัณหามันมีอยู่จริงนะเมื่อเมื่อก่อนเราก็เคยสนองก็มาอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่เคยมาสังเกตในตรงนี้ว่าตัณหามันมีอยู่จริงแต่การที่เรามาฝึกเช่นนี่ยประการแรกนี่เราก็ได้รู้จักตัวเราเองว่าเราเป็นเช่นไรนะเออตัณหาเรามีไหมมันจะเรียกร้องเราตลอดเวลาไหมนะแล้วก็มาเจอความยากลําบากนะเราต้องมานั่งนะปฏิบัติทั้งวัน นาะยกมือเดินสร้อย่างแบดทั้งวันนะอันนี้ก็เรียกว่าเราเนี่ยกลับมาฝึกตัวเราเองนะให้อยู่กับปัจจุบันนะให้มีขันติมีความอดทนมีความอดกลัน้นนะผมจะได้ทรงตัดเวลาว่าขันติคือความอดกลัน้นเป็นทำเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะขันตินี่แหละคือความอดทนนี่แหละมันเป็นเหตุเดียวนะที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ ถ้าเราไม่มีขันตินะบางทีเราปฏิบัติอยู่เรากา็หาทางผ่อนคลายนะเออไม่มีใครคอยดูแลหรือครูบาอาจารย์ไม่ได้ดูแลเราตอนนี้ถ้าไม่อยู่เราก็หยุดปฏิบัติเลยนะอันนี้แสดงว่าเราไม่มีความอดทนไม่มีความอดกลั้นนะแล้วก็ไม่เชื่อในครูบาอาจารย์ที่ท่านได้บอกอไว้นะเนี่ยมันก็ไหลไปตามกิเลสตลอดเราไม่มีทางที่จะชัดชนะกิเลสได้เลยเพราะตราบใดที่เรา ปล่อยให้ใจของเรานะมันไหลาตามตันหาตามที่เราต้องการก็คือการมาตันหาแล้วให้เราอยู่วัดเป็นปีตันหาก็ยังเป็นเพื่อนสองเราอยู่นะเราไม่มีทางที่จะชนะก็ได้เลยนะเพราะนั้นพระเจ้าบอกว่าจงยามีเพื่อนสองนะเพื่อนสองนี้ไม่ใช่หมายความว่าเรามีเพื่อนเป็นคนอื่นนะแต่หมายก็เรามีตันหาเป็นเพื่อนสองไหมถ้าเรามีตันหาเพื่อนสองแล้ว ให้เราอยู่คนเดียวอยู่ในป่าคนเดียวนะนั่นแหละเราก็อยู่กับตันหาแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักตันหาว่าเขาเนี่ยคือเพื่อนเราเราเราจะคบกับเขาไหมนะถ้าเราคบกับเขาไหมนั่นแหละอ่าพบชาติเราจะยาวยิ่งขึ้นเพราะว่าตันหานันก็จะนําแต่กิเลสให้เราเมื่อเรารู้ว่าตันหาเป็นสิ่งไม่ดีเราก็อย่าไปอยู่กับเขาอ่การไม่อยู่กับเขาก็คือเราต้องฝืนตันหาได้นั่นเองนะ เราก็มาอยู่กับการปฏิบัติธรรมนี่แหละให้เป็นเครื่องอยู่ของใจน ะ, จะเจริญสตินะเราจะเห็นว่าเออมันก็มีอารมณ์หลายๆอย่างเข้ามาที่เร า, เาไม่ได้รับความสุขสบายนะตั้งแต่เรื่องอาหารการกินเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็มีเพื่อนเก่าเราก็มาเยือนบ่อยๆนะมีความง่วงเข้ามาใช่เราผ่านความง่วงได้ไหมนะถ้าผู้ใดไม่ผ่านความง่วงนั้นนะเรากา็ยังถือว่าเราไม่พ้นาจาก ทีนมิทะก็คือไม่พ้นจากนิวรห้านั่นเองนะนิวรห้านะก็เป็นเครื่องนะทําให้เราเนิ่นช้าในการปฏิบัติธรรมนะนิวรห้าก็มีนะาการมาฉันทะก็คือความยินดีพอใจในกามทั้งหลายนั่นแหละนะก็คือพอใจในรูปรล้วกินเสียงโนะผดสภะธรรมอรมณ์ทั้งหลายนั่นเองนะก็คือพอใจในตัณหานั่นเองนะ เรายังมีความพอใจในตรงนี้มากไมนะก็เราสังเกตได้ว่าพอใจกไม่พอใจก็คือการดิ้นรนของจิตนั่นเองอยากจะไปหาอะไรที่มันสบายสบายอยู่ที่สบายนะที่สะดวกสบายอยากจะกินอะไรนั่นแหละก็คือการมาฉันทาทั้งนั้นเลยนะมีความพยาปาทะไหมนะมีความนะไม่พอใจในสิ่งต่างนะมีความขัดเคืองมีความโกรธแค้นนะพยาปาทะหมายถึงว่าความโกรธแค้นเคืองอยู่ภายใน นะเราจะนึกถึงสิ่งต่างที่เราไม่พอใจนะก็เป็นอุปสรรคในการบวชทำไดนะ้แล้วก็ทิฏนมิทักก็คือความง่วงนอนความสลดหดหูในใจเรานะเราปฏิบัติแล้วนะจิตมันหดหูนะง่วงนอนนะง่วงเหงาเศร้าซึมอันนี้ก็เป็นเหตุให้จิตของเราเนี่ยมันนะไม่ตื่นขึ้นมานะเราก็ต้องกระจัดในสิ่งเหล่านี้นะซึ่งครูบาอาจารย์ก็ได้บอกวิธีการแก้ลมเหล่านี้ไปแล้วนะ เออเราง่วงแล้วก็เดินขึ้นมาปฏิบัติได้ใช่ไหมสิ่งต่างๆเยเราสามารถแก้ได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้นะบางคนก็นึกว่าโอ้ข้อสุดท้ายเรานึกได้คําเดียวโมณะนอนเสถะใช่ไหมเรานึกได้แค่ข้อสุดท้ายเท่านั้นเองนะแต่ข้ออื่นเราไม่เคยนึกถึงเลยว่าเอออไปล้างหน้าบ้างใช่ไหมไปไองไกลบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหม ลุกขึ้นมาเดินยงกลมนะอันนี้เราก็ต้องทําเสียงต่างแล้วในแก้ลมไปนะเพราะความง่วงจริงๆแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วเขาก็ไปเขาไม่ได้อยู่นานหรอกถ้าเรานั่งปฏิบัติเนี่ยเรามีความง่วงมากในจริงๆเราเราไม่ได้ไปแก้ลมที่ไหนหรอกเราก็นั่งปฏิบัติต่อไปนะเขาก็แสดงอนิจจังเราเห็นว่าเขาก็ไปเองของเขาเองได้นะแล้วจิตเราจะตื่นกว่าเก่าเราจะหายง่วงได้นะให้นั่งสู้เป็นนานๆหน่อยนะรับประกันได้เลยนะหายง่วงทันทีแล้วก็จิตจะตื่นกว่าเก่า นมแล้วก็ต่อมาก็คือ อ, อุทจจักกุกกัจจะอุทัจจะกกุกุจกจะก็คือความที่เราฟุ้งซ่านลาคาญเป็นอารมณ์ต่างๆนะอันนี้ก็เราก็เรื่องธรรมดาอยู่แล้วฟุ้งซ่านก็ไม่เป็นไรก็กลับมารู้สึกตัวใหม่ได้นะเพราะเราจะแก้ในตรงนั้นน่ยมันจริงจรงแล้วมันแก้ไม่ได้หรอกอเพียงแต่ว่าเรากลับมารู้สึกตัวใหม่เท่านั้นเองนะส่วนก็จะฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านก็ไม่เป็นไรกลับมารู้สึกตัวก็แล้วกันนะ ไม่ใช่ความผิดของเรานะแล้วก็สิ่งสุดท้ายคือวิจิคิจฉาคือความลังเลสงสัยนะความลังเลสงสัยนะมันก็มีอยู่หลายระดับนะบางคนก็สงสัยว่าเออกรรมมีจริงไหมบุตรมีจริงไหมชาติหน้ามีจริงไหมนะตรงนี้เป็นสิ่งที่ประเด็นเนี่ยสําคัญมากนะถ้าเราสงสัยตรงนี้เราก็ไม่มีกําลังใจในการปฏิบัติธรรมนะเออปฏิบัติธรรมไปทำไมนะ ตายแล้วก็ศูนย์อย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วตรงเนี้ยทาให้คนไม่มีกําลังใจในการปฏิบัติธรรมนะอนะ่แล้วจริงๆก็ไม่รู้จะบวชไปทําไมถ้าตายแล้วศูนย์นะเออคนหนึ่งคอร์รัปชันมาร่ารวยเป็นลอยล้านนะอยู่ด้วยการคอร์รัปชันแต่เขามีชีวิตสุขสบายนะแต่บางคนนี่มาบวชอนะ่ามีเงินอยู่แล้วเป็นเศรษฐีแล้วมาบวชก็มาทุกข์ทรมานแล้วผลรับเท่ากันก็คือตายแล้วศูนย์นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ามันก็ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญว่าเราเชื่อในตรงนี้ไหมนะหรื อ, อเราเชื่อในการปฏิบัติธรรมไหมว่าสามารถที่จะอะเป็นหนทางในการละกิเลสได้จริงนะปฏิบัติเช่นนี้ได้ผลจริงนะหรือวิธีการปฏิบัติยกมือสืบตรีอย่างวานนี้เป็นเหตุให้เราเกิดสตนะิรู้เท่าทันได้จริงนะถ้าเราไม่ลังเลสงสัยเราก็จะได้ปฏิบัติได้เต็มที่นะเนาะสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นอิบอนห้าที่มากางกั้นความดีของเรานะ แต่ถ้าเราสามารถผ่านนิวรณ์ห้านี้ไปได้แล้วเราก็จะเกิดความศรัทธ า, าเกิดความตั้งใจในการปฏิบัติว่าเออหนทางนี้นะมันจะเป็นทางที่ให้เราเนี่ยเกิดสติขึ้นมานะแล้วมันก็สามารถที่จะละกิเลสได้จริงนะแล้วทําไมเราจะต้องมาเจริญสตินะสติมันสําคัญมากขนาดไหนนะบางท่านก็กล่าวว่าสติเป็นพี่สมาธิเป็นน้องนะหรือมีการเปรียบเทียบเช่นนี้ว่า รอยเท้าสัตว์ทุกทกชนิดนี้ะในโลกนี้นะสามารถรวมลงไปในรอยเท้าช้างได้ฉันใดทำทั้งหลายนะก็สามารถรวมลงไปในส้นสิฉันนั้นนะเพราะว่าสตินี้เป็นแม่ของทำทั้งปวงนั่นเองนะอันนี้ไม่ได้พูดเองนะครูบาอาจารย์แ้วก็พูดแบบนี้กันเยอะอะหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาตัวโ ต, ต, ตัวบอกว่า <c oughs> <c oughs> สติสมา <c oughs> สมาธิเนี่ยเราไม่เอามากหรอกนะแต่เราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา <c oughs> อาจารย์หาบัวบอกว่า <c oughs> ผู้ใดมีสติก็ชื่อว่าภาวนาอยู่นะ <c oughs> จริงๆแล้วก็มีคำพูดครูบาอาจารย์ช น, นี้มากมาย <c oughs> ในการที่ให้เรามีสตินะ <c oughs> เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเ <c oughs> พราะสตินี่แหละก็คือ <c oughs> จะทำให้เราเนี่ย รู้เนื้อรู้ตัวนะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างแท้จริงนะเมื่อเรามีสติแล้วนะสติก็จะเป็นพี่เลี้ยงของเรานะเป็นผู้ที่อรักษาเรานะเป็นผู้ที่ป้องกันเรานะจากกลมต่างๆได้ <c oughs> เหมือนกับบ้านเรานะบ้านเราถ้าเร า, าไม่มียามนะไม่มียามคอยดูแลนะก็มีโจรขโมยเนี่ยเข้ามาขโมยของในบ้านเราได้ง่ายๆนะหรืออาจจะเข้ามาทำลายเรานะในบ้านเราเมื่อไหร่ก็ได้ไดนะ แต่ถ้าเรามียามนะมียามอคอยดูแลในตรงนี้น ะ, ะจนผูไลก็โอกาสเข้ามาในได้ยากขึ้นนะเพราะนั้นสตินี่กิเหมือนกับเป็นยามนันเองเนี่ยก็จะคอยดูแลจิตใจของเรานะการดูแลหมายความว่าการรู้ทันนะรู้ทันอารมณ์ต่างในใจของเรานั่นเองรู้ทันว่าออขณะนี้เราเป็นอย่างไรนะขณะนี้เราฟุ้งซ่านไหมอ่ขาขณะนี้เรามีความคิดเยอะไหมขณะนี้เราโกรธเรารักเราชัง เรามีลมต่างๆไหมนี่แหละมันจะรู้ทันในสิ่งเหล่านี้นะคราวนี้เมื่อรู้ทันแล้วทำอย่างไรต่อนะก็คือถ้าเรากําลังจิตพอเนี่ยเขาก็คลายได้นะอารมณ์ต่างๆคลายได้เองจากการรู้ทันนะแต่ถ้าเรายังกําลังจิตเราไม่พอนะก็ใส่ตัวสตินะคือความรู้ตัวนี้แหละเป็นกําลังในการที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะอีกครั้งหนึ่งนะ กลับมาอยู่กับจิตที่เป็นกลางๆอีกครั้งหนึ่งนะตรงเนี้เขาก็จะค่อยๆที่จะจากเราไปแต่เราไม่ได้ไปผักใสอามต่างๆนะไม่ใช่ว่าเกิดอารมณ์แล้วเราไปผักใสก็เต็มที่นะอันนั้นมันไม่ใช่เป็นการเจริญสติที่แท้จริงนะแต่ว่าเป็นตันหานะเป็นตันหาในการที่เราจะหลบเลี่ยงเขาในการไปปรุงแต่งเขาในการที่เราจะไปผักใสอันนั้นก็เป็นวิภาวะตันหาไปเลยนะ แต่เราอยู่กับเขาได้ไหมโดยการรู้เท่าทันนะอยู่กับความรู้สึกตัวนี่แหละส่วนเขาจะไปหรือไม่ไปไม่ใช่เรื่องของเรานะเป็นเรื่องของเขาเองนะกับรู้สึกตัวหรือเรียกว่ารู้เฉยๆก็พอแล้วนะรู้เฉยๆรู้ไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆรู้โดยการที่ไม่ขับไล่ส่ยส่งนะไม่ไปปรุงแต่งให้เขาอยู่หรือว่าให้เขาไปแต่อยู่กับความเป็นจริงก็คือรู้เฉยๆก็พอแล้วนะ การรู้เฉยๆนั่นแหละคือสติที่แท้จริงนะใจจะเป็นกลางนะใจจะเป็นกลางที่จะไม่ไปผักใสหรือไม่ไปยึดถือเขานะมันจะเป็นกลางในความยินดีินร้ายนี่แหละใจจะมีกำลังมากเรื่อยๆจากการที่เราเข้าไปรู้เฉยๆก็พอแล้วนะในตรงนี้ถ้าเราเข้าใจในตรงนี้เราจะเห็นว่าเออเมื่อเราเรารู้ได้มากขึ้นนะความหลงก็จะน้อยลงนะแต่เมื่อเราไม่รู้ความหลงก็จะมีมากขึ้น มันจึงเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันนะศัตรูของความหลงก็คือความรู้หรือตัวรู้นั่นเองนะรู้ก็รู้เป็นเฉยเฉรู้เป็นกลางๆนี่แหละนะไม่ต้องไปผักใสอารมณ์รู้ทุกชนิดเพราะฉะนั้นจิตก็จะเริ่มที่จะมีกําลังแข็งขึ้นเรื่อยๆนะอจากการที่เมื่อก่อนเราต้องคอยดูความดับของมันเมื่อไหร่มันจะดับสักทีนะไม่ผักใสให้ก็ดับอันนั้นก็เรียกว่าไม่เห็นสภาวะที่เขาเกิดดับตามความเป็นจริงนะ แต่ถ้าเราสามารถลุยเฉยเป็นกลางๆเราจะเห็นสภาวะที่เขาดับได้โดยธรรมชาติของเขาเองไม่ใช่เกิดจากฝีมือของเราเป็นสภาวะที่เขาเกิดขึ้นมาเองนะอันนั้นนะมันจะเป็นออกจากการที่เราเข้าไปกระทําเป็นตัวเป็นตนของเราอีกครั้งหนึ่งว่าเราสามารถที่จะบังคับเัญชาเข า, เาได้นะถ้าเรา คิดว่าเราสามารถบังคับบัญชาสภาวธรรมได้นั่นหลักก็คือความเป็นตัวตนเกิดขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้บังคับบัญชาในสิ่งเหล่านั้นแต่เขาแสดงถึงพรไตรลักษณ์ให้เราเห็นโดยตัวของเขาเองแล้วจิตจะเริ่มเข้าใจในสภาวธรรม ต, มตามความเป็นจริงและจิตก็จะเกิดค่อยๆเกิดความยึดคลา ย, ลายจากความยึดถือในสภาวธรรม ต, ามต่างๆได้และคลายจากความยึดถือในความเป็นตัวเป็นตนของเรา นะอันเป็นขนทางทางความพ้นทุกข์ทิฏฐาจริงนะก็จะเข้าใจในสภาอธิปเจ้าได้ทรงตัดว่าทรัทรัพย์ทำมาสรรพธรรมทั้งหลายนั้นนะก็คื อ, อาภาะไตรลักษณ์นะหรือคืออนิจจังลูกขาณตา น, นั่นเองนะเพราะนั้นความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ว่าเรารู้สึกแต่ว่าเป็นความรู้สึกล้นลวนๆนะไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้รู้สึกแต่อย่างใด มันจะออกจากความเป็นตัวตนเนี่ยตรงนี้ได้จะเห็นสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปอโดยสภาวะของเขาเองไม่ใช่เกิดจากฝีมือเราไปทํานะแต่เป็นสภาวะที่เขาเป็นไปในประไตยลักษณ์ของเขาเองอยู่แล้วนะก็คือความที่มันเป็นของเขาเองเช่นนั้นเองนะตรงนี้สภาวะธรรมเหล่านี้ก็จะค่อยๆปรากฏชัดขึ้นมาจากการที่เราทํำได้ถูกต้องนะ เพราะนั้นสิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินเอื้อมที่พวกเราะจะเข้าไปถึงกันนะครูบาอาจารย์ก็ได้บอกไว้แล้วว่าเออไม่เกิน3ปีเนาะนะแต่ถ้าเราเข้าใจจริงๆแล้วมันก็ไม่ถึง3ปีหรอกเห็นไหมอยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจในตรงนี้ได้จริงไหมนะจริงๆสปีก็ไม่ใช่ว่านานนะเป็นระยะเวลาสั้นนิดเดียวแล้เทียบกับที่เราเกิดมาแล้วนะเป็นเวลาเท่าไหร่นะแต่ถ้าเราใช้เวลาเพียงไม่นานสัก3ปีนะ หรืออาจจะเร็วว่านั้นหรือจริงๆแล้อาจจะช้าว่านั้นจริงๆแล้วไม่มีกําหนดหรอกว่าต้องกี่ปีกี่ปีนะก็เราก็ทําไปเถอดนะให้ใจของเราเนี่ยรู้เท่าทันกิเลสก็พอแล้วนะอย่าไปตั้งใจมากเกินไปเดี๋ยวก็จะกลายเป็นปัญหาขึ้นไปอีกนะเนี่ยค่อยๆทําไปจิตใจก็จะเริ่มที่จะคลายจากความยึดถือได้เองเพราะว่าเราไม่ต้องว่าละกิเลสได้ทันทีนะกิเลสั้งหมดทันทีฟันปุ๊กกิเลส ข, ขาดปับ๊บอันนั้นไม่จําเป็น แต่มันอาจจะลาไปตามลำดับก็ได้นะเหมือนที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าเหมือนกับช่างไม้นะ่ะที่ใช้มีดทำเครื่องมื อ, อเครื่องไม้เครื่องมือนะเขาไม่รู้หรอกว่าด้ามมีดเนี่ยสึกไปวันละเท่าไหร่แต่เมื่อนานไปก็จะเริ่มสังเกตว่าด้ามมีดนี่สึกไปแล้วนะเพราะนั้นเราไม่ต้องไปคอยเช็คว่ากี่เหลือเราจะหมดไปเมื่อไหร่นะไม่ต้องคอยเช็คว่าเรามีสติมากน้อยเพียงใดทาไมสติเราไม่ดีนะไม่ได้คอยเช็ค แต่ว่าเราทำเรื่อยๆเราจะเริ่มสังเกตว่าเออจริงๆแล้วสติเราก็ดีขึ้นน ะ, นะกินเลยลเราก็เบาๆเบาบางลงนะมันก็เป็นเรื่องที่ว่าต้องใช้เวลาต้องให้จิตของเราเนี่ยเขามีเวลาของเขาบ้างนะอย่าไปเร่งรัดเขาอย่าไปบังคับเขาแต่ว่าทำไปเรื่อยๆเท่านั้นเองเนาะเพราะนั้นก็ตรงนี้เราไม่ใช่ว่าเราจะหมดหวังนะแต่ทุกคนมีหวังที่จะเข้าถึงนิพพานในชาตินี้ได้ทุกค น, นเพียงแต่ว่าเรา มีความเข้าใจที่ถูกต้องไหมและมีความอดกั้นอดทนใดเพียงพอไหมในะในสุดท้ายนี้ก็ขอทุกท่านนะขอให้คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์ก็มันน้อมนำให้ใจของเราเข้าถึงสตินะสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันธุ์ทุกท่านเทิน